เราปฏิบัติมาได้เข้าวันที่สองแล้วจะเริ่มทำเป็นเห็นความสงบทางใจขึ้นมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ละเอียดพออยากให้ทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกให้คอยดู การเข้าออกของลมสั้นก็ตามยาวก็ตามให้เห็นเหลือกันหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาว ก็ให้รว่วเราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็ให้รว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รว่วเราหายใจออกสั้นคอยดูลมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นอย่างอื่น หรือธุระหน้าที่ต่างๆให้วางไว้ก่อนให้ทีงไว้ก่อนจะเป็นน้ำท่วมหรือเป็นข้าวเป็นของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ให้ทำใจให้มันสบายก่อนสิ่งของมันเกิดทีหลัง ถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่เรายังหาได้อยู่ถ้าเราไม่มีชีวิตเมื่อถึงหมดสิทธิ์ที่จะหาแต่ดีเรายังมีชีวิตยอยู่ก็ไม่ต้องห่วงจนเสียกำลังใจถึงน้ำไม่ท่วมสักวันหนึ่งเราก็หนีจากมันถ้ามันนีวันหนีจากเราพอน้ำท่วม วัสดุสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆก็หมดไปสิ้นไปให้เราทาใจของเราให้มันสบายถึงแม้มันจะทำไม่ได้ก็ต้องลองทำดูคือว่าไม่ให้ห่วงอะไรเลยห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงน้ำท่วมหรือน้าไม่ท่วม อะไรต่างๆเรานี่ให้วางไว้ก่อนเรามาตั้งใจคอยรู้คอยดูคอยเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่แหละอยู่เรื่อยๆเอาเท่านี้ไม่ได้เอาอะไรมากภาวนาคนวายากทำไม่ได้หรอก ทำไมจะทําทไม่ได้เรามีลมหายใจอยู่เรามีลมหายใจอยู่เราก็หายใจออกหายใจเข้าได้อยู่เราก็ทําเป็นปกติอยู่แล้วการหายใจเข้าออกนี่อีนี้ก็คอยมาลูลมเข้าลมออกดูเท่านั้นเอง เวลาลมเข้าเราก็มาดูมาลูมาเห็นว่ามันเข้าไปจริงๆผ่านตรงนี้ตรงนี้เข้าไปลมออกก็เห็นมันผ่านออกผ่านออกตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมเราทำอยู่กับลมอย่างนี้แหละไม่มีอะไรมากมายถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ก็แสดงว่ า, ายังมีชีวิตอยู่ เมื่อเรามีลมหายใจเราก็สามารถกำหนดลมหายใจของเราได้ก็เรียกว่าภาว น, นาเป็นแล้วนั่งอยู่เราก็สามารถทำใจให้สงบอยู่กับลมหายใจเขา้าเข้าออกลมหายใจเข้าออเราก็รู้อยู่ลมหายใจออกเราก็รู้อยู่เนี่ให้คอยดูลม เดินไปก็สามารถกำหนดรู้ลมได้เดินจงกรมก็สามารถกำหนดรู้ลมได้นั่งก็สามารถกำหนดรู้ลมได้นอนก็สามารถกำหนดรู้ลมได้เท่านี้เองก็ถือว่าทำเป็นแล้วทาทีายใจก็สงบทุกทีมีเรื่องก็เทือนใจนั่นนี่ควรจะ วุ่นวายมันกลับไม่วุ่นวายกลับไปหาลมพอกลับไปหาลมก็ใจก็สบายขึ้ น, นจิตก็สงบตรงเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องเหล่านั้นจะเป็นเรื่อง หลายเรื่องดีก็ตามเราสามารถทำใจของเราให้นิ่งเป็นหนึ่งให้ทำใจอย่างนี้แหละให้รู้ความจริงของชีวิตคนเราแต่ละคน ที่เกิดมานี่ในที่สุดก็ต้องจากไปให้พี่นาเข้ามาที่ตัวของเราดูที่ตัวของเรารู้ที่ตัวของเร า, ร เ, ราเราเกิดมาได้อย่างไร ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดมาแล้วความแก่เกิดขึ้นเมื่อความแก่เกิดขึ้นแล้วอะไรตามมาความตายก็ตามมาส่วนเก็บใข้ได้ป่วยก็มีทุกส่วนเกิดมันก็เจ็บแก่มันก็เจ็บตายมันก็เจ็บห้พิจารณาไปที่ตัวของเรานี้ มันมีเกิด ม, กมีแก่มีเก็บมีตายเราเพิ่มเข้ามาเลยเกิดแก่เก็บเนนแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเกิดเกิดแก่ตายแต่พวกเราเอาเกิดแก่เก็บตายมันมีเฉพาะคนอื่นหรือว่ามีที่ตัวเราด้วย ถ้าเราพิจารณาให้ดีตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่แต่คนอื่นเกิดไม่ใช่แต่คนอื่นแก่ไม่ใช่แต่คนอื่นเก็บ ไ, ไม่ใช่แต่คนอื่นตายเกิดแก่เก็บตายมีได้กับทุกคนไม่มีการยกเว้นพระราชามหากษัตริย์ผู้ครองรัฐคองประเทศแต่ละประเทศแต่ละรัฐ ในโลกนี้นะก็มีแก่มีเก็บมีตายเหมือนกันมีดามานดาของเราก็มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายเหมือนกันปู่ย่าตาทวดก็เกิดแก่เก็บตายเหมือนกันนี่ให้พารนาเข้ามาที่ตัวเราว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละ อันนี้ไม่ได้สาบแช่งอันนี้พูดความจริงให้ฟังแม้ว่าแม้แต่พูดเทศอยู่นี่ก็เหมือนกันก็ตกอยู่ในกฎอันนี้เหมือนกันคือความไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีตัวตนสลายไปตายไปเหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่พร้อมกันวันเดียวปล่อยไปตามธรรมชาติก็แก่เก็บตายเหมือนกันที่จะเหลืออยู่ค้างโลกไม่มีหรอกคนสองพันปีเนี่ยไม่มีใครใครบ้างที่สองพันปีมันไม่มีพันปีหล้วมีไหมไม่มีร้อยปีมีไหมเออพอมีพอหาได้อยู่ เก้าสิบปีมีไหมเอออันนี้ค อ, อยยังชั่วแปดสิบเจ็ดสิบหสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบ้อยตายหมดทุกคนตายเลยหมดเกิดวันเดียวตายแล้วก็มีสองวันสมวันตายก็มีเจ็ดสิบปีหกปีเจ็ดสิบปีตายก็มี ก้าสิปีรปีตายก็มีเกินกว่าร้อยบ้างก็มีก็ตายเหมือนกันนี่แหละแต่โดยมากเจ80ิปีแล้วก็ค่อยล่วงหล่นไปแล้วเหมือนผลไม้น่แหละนะถ้าให้มันแก่เองตายเองออกแก่เองหล่นเองก็ต้องอาศัยเวลาคนเราก็เหมือนกัน การเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันละวันแปลว่าเราเดินใกล้เขาความตายเขาไปทุกทีคนจะตายจะทำอะไรนอนรอเวลาเหรอไม่ใช่ต้องรีบทำความงามความดีจะให้ทานก็รีบให้ซะจะรักษาศีลก็รีบรักษาสมาทานซะ จะภาวนากำหนดบริกรรมลมหายใจเข้าออกไว้ตลอดมีสติอยู่ตลอดนี่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราทำเอาสิ่งเหล่านี้ให้ได้ให้มากที่สุดแลลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในใจน อย่างนี้นะจึงจะไม่เสียประโยชน์ไม่ใช่ว่าโอ้ยตอนนี้สะสมไว้เวลาลูกเต้าลูกหลานเขาจะได้ใช้ได้สอยเราตายแล้วเขาจะทำบุญให้โอ้ยจะไปหวังเลยสักพันล้านนะซื้อรถเบนซ์นนะ่ะขี่แต่ เ, เราไปไหนมาไหนลำบากลำบาก กอเงินจะหมดกองเงินจะสูญเสียไปกวจะหมดทรัพย์หมดสินลูกหลานคนที่มาสืบต่อเฮ้ยเขาไม่ได้สนใจละมีแต่เขาจะไปซื้อรถซื้อลาซื้อบ้านซื้อเรือนอยู่เย็นเป็นสุกเลยพอะเ ข, า, ขามีเงินแต่เราทุกข์ทลายโอเราทนเราเขียมกินเขียมใช่ ยิ่งทำบุญแล้วยิ่งไม่เอาเรื่องเลยให้ทำไมพระให้ทำไมทำบุญบอุปสมบให้ทำไมให้แล้วก็ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแถวยังมีความเข้าใจผิดจากนี้ไปก็มีคนที่ได้ทำความดีไว้น่ะให้ทานรักษาศีลภาวนาไว้เป็นคนที่มีโชค ทดี่ยถือเอาประโยชน์ในชาตินี้ไปได้ด้วยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถือเอาประโยชน์ของโลกไปด้วย <c oughs> เราไม่ใช่ว่าจะไม่เรียนไหวาตายเกิดมันวนมันเรียนมา น, นี้นับกลับนับกันไม่ทวนแล้วนับชาตินับรบไม่ทวนแล้ว กี่แสนกี่ล้านปีที่เราเกิดมาเนี่ยมันกี่ข้างกี่คนน่ยเป็นหลายๆกับหลายๆสังวัตกับหลายๆสังวิวัตกับเราเกิดมา เ, เกิดมาบางชาติบางภพก็อยู่เย็นเป็นสุขมีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติไม่อดไม่ยาก อันนี้อ น, นิสงที่เราทำบุญทำทานไว้ไม่อดไม่จนไม่ยากไม่จนแต่บางพบบางชาติละ่ะยากจนค้นแค้นอดอยากกนาถาเราได้เจอมาหมดแล้วละ่ะเรื่องเหล่านี้เนี่ยการพูดก็เป็นการฟื้นความเข้าใจเฉยๆเราผ่านมาแล้วทุกยากในวัฏสงสารนี่ ความเป็นความมีของเราเนี่ยเได้ผ่านมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นให้หากันตั้งใจปฏิบัติธรรมสั้งแก่ปฏิภติธรรมให้มันหนีจากทุกได้ถ้าคิตเราสงบมันก็หนีจากทุกได้ถ้าคิดเราไม่สงบมันก็หนีจากทุกไม่ได้ ตายแล้วก็ต้องตายอีกเกิดแล้วก็ต้องเกิดอีกจะให้มันไม่เกิดก็ไม่ได้เพราะากิเลสยังมีอยู่ราคะก็ยังมีอยู่โทสะยังมีอยู่โมหะยังมีอยู่กิเลสตอนนี้ยังมีอยู่ในใจเราอยู่ยังฝังอยู่ในหัวใจของเราอยู่เราไม่สามารถเอากิเลสออกได้ เราก็ต้องเรียนเกิดเวียนตายอย่างนี้ติดต่อกันไปนับภบนับชาติไม่ท้วนอีกแล้วพระพุทธเจ้าผ่านไปเป็นร้อยพระองค์เรายังไม่หมดการเวียนไหวไตเกิดนี่แหละเราเกิดแก่เก็บตายมานับภบนับชาติไม่ท้วนแล้วเป็นคนรวยก็ได้เป็นเป็นคนจนก็ได้เป็น เป็นคนทุกข์ยากอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้มีที่นั่งสักวาเดียวเอยทั้งยากไปเห็นเขาขายของอยู่ในตลาดมองดูคนที่เขาขายนะมีที่อยู่ประมาณไม่ถึงสองวานะวาเดียวพอได้ตั้งที่ทำหมวอแกง ต้มปลาขายมีที่กับเขาเช่าที่เขาค้าขายเลยวาเดี่ยวตารางวาเดี่ยวที่ไม่อดไม่อยากอะ่ะเราไม่ได้ทำไปกไม่เกิดนี่แหละ บูตก็ไม่ได้ทำสล า, าก็ไม่ได้ทําพิหารโลงทานเราก็ไม่ได้ทาเราจะเอาอะไรมันเป็นที่พึ่งพรเราไม่ได้ทํานเรากลัวมันจะหมดกลัวมันจะหมดในที่สุดเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวขอทําบุญทำกุศลไว้ก็เอาไปไม่ไหวแล้วแบบนี้ โอ้โหบุญกุศลลงมาในมนุษย์ไม่เกิดแล้วแต่กูลต่ำเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์แล้ผู้มีบุญมีบรารมีเต็มเปี่ยมมีอำนาจวาสนาบรารมีเกิดจากนี้ได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เพราะอา น, นิสงส์ที่เราทำความดีเอาไว้นั่นแหละ จะนลักษาสศีนึงศีเลนโพเขสัมปทานี่ศีให้เกิดความถึงพร้อ ม, อมในทางทรัพย์ศีลสมบัติศีเลนโพเขสัมปทาความถึงพร้อมด้วยโพคะคือสิ่งของในอุปยา เพราะศีลเนี่ยศีเลนันี้ผู้ติยันติศีลก็ทำให้ถึงถึงมรรคอดีพานมันมีอยู่จริงไห ม, ามาล่ะมรรคอดีพานมันมีอยู่จริงแต่เราเอามาให้กันดูไม่ได้ ใครบรรลุคนนั้นก็เริ่มเห็นแหละเริ่มเห็นพระ น, นิพพานแหะเห็นในใจของเราเนี่แหละพอตายไปก็เข้าถึงนิพพานาจริงอันนี้หมายถึงผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีกิเลสในใจแล้วย่อมถึงความสุขความเจริญไปอยู่ที่ไหนไปเป็นอะไรก็มีความสุข ถ้าเรามีศีลมีธรรมใน ใ, ในใจแต่ถ้าไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในใจโอมันมันไม่เป็นอย่าง น, นหรอกมันทุกข์มันเดือดร้อ น, นทุกข์มันเดือดร้อนมันลำบากเราพอมีอยู่มีกินเลื่อล่ำรวยอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะบุญกุศลของเรา พอเราได้ทําไว้บางคนโอ้ภาวนาไม่ได้หรอกไม่มีเวลาว่างสมาฮากิจทาไมจะทำไม่ได้ลมหายใจเข้าออกแล้วกำหนดได้ไหมถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกได้ก็แสดงว่าเราภาวนาได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เราไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งสมาธิก็ทาได้ น, นั่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องทาเป็นนิสัยปัจจัยแล้วหนมันค่อยกูดเก่าไปทีละนิดละนิดมันก็หมดไปในที่สุดที่ว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ทำได้อยู่ทำไมถึงว่าทำได้เอา้าเพราะมีลมหายใจเข้าออกเลย ก, ก็ทำได้ตัวมีลมหายใจเข้ามีหายใจ อ, ออกอยู่ก็ต้องทำได้ค่อยรูลมหายใจเข้าหายใจ นั่งอยู่บนเก้าอี้เราก็ทำได้นั่งอยู่บนรถเราก็ทำได้จะทำในขณะขับรถนะตั้งสติไว้ให้ดีนะขับรถนะจะไปกาหนดลมอยู่มันก็ลาบากอีกแหละแต่ธรรมะธรรมดาเนี่ยเราทำได้ตลอดเลยคนอื่นขับไปแต่เรานั่งข้างหลังเราก็คอยดูลมหายใจเข้าออกได้คนบนใส่หูเรา ว่าให้เราทำานี้เตียนเราเราทำไงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกเชื่อๆ อ, อยู่คน ด, าาดา่าก็ด่าไปนี่สุดก็หมดคำดา่าคำว่าต่อม า, าคุยกันได้สบายเพราเราไม่ถือสาหาความคนนั้นมาคนนี้ไปโอ้ยไปยุ่งกันเัยสิแต่ถ้าทำสมาธิพับคนหมดลมหายใจพับ ก็เย็นว่าลงไปสบายใครจะว่าอะไรก็ว่าไปสินั่นะว่าไปก็เป็นเรื่องของคนว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราใส่ใจแต่ลมหายใจเข้ากิดเราก็เย็นเป็นโสกนี่แหละการฝึกหัดใจมันเป็นของ ทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนไว้ใจนี่ฝึกหัดได้ฝึกหัดให้รู้ทานก็ได้ให้รู้ศีลก็ได้รู้ภาวนาก็ได้ฝึกหัดจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอราหารันตอราหันต์ก็ได้ฝึกหัดใจเนี่ยเอาอะไรมาฝึกหดัด เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาฝึกหัไม่ใช่เอาอย่างอื่นนะเอาเหล็กมาดัดมาแปลงมันก็ไม่ไม่หายเอาไปขังไว้ในคุกในตลาดมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายมันก็ไม่หมดแต่ถ้าเอาธรรมะเข้ามาฝึกอะให้มีสติอยู่ทุกเมื่อนั่นมันดีแล้วจริงมันหักได้ เดวเท่าสิมันไม่หัดมันไม่ได้หรอกเอาธรรมะหัดหัดใจของเราให้สงบให้เป็นสติสมาธิให้มีสติอยู่ให้มีสมาธิอยู่สติก็เห็น น, หนั่นะสมาธิก็ตั้งเที่ยงตั้งมั่นมันจะเดือดร้อนอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะว่าจะดา่าเขา่าไป ก็เราทำดีอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราทำไม่ดีนี่เขาไม่ว่าไม่ดา่าเราก็เดือดร้อนอยู่แล้วเราก็มีโอกาสตกต่ำอยู่แล้วถ้าเรารู้ตัวโอ้เราทำบาปไปมากหลายเรื่องหลายอย่างไม่ได้เดี๋ยวเราตายไป ใจเสือภพูมันต่ำแน่นอนต้องไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ไทบุญที่วัดป่าเรนโศดอย่างนี้ใจเราก็ดีขึ้นหาทางออกจากทุกข์หาทางปฏิบัติธรรม หาทางทำใจให้สงบเป็นหนึ่งเอาฝึกหัดได้อยู่แล้วตั้งใจอย่าให้มันเผลอไปคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เไปคิดเรื่องนั้นก็ไม่เอาเรื่องนี้ก็ไม่เอาให้เอาแต่ลมหายใจนะ่ะทำไมมันจะไม่ได้ นั่งขึ้นมันเก็บขามากทีกข่ขาได้เปลี่ยนนิยาบทได้อยู่แล้วใจเองก็สงบป็นหนึ่งใจมันก็สบายไม่มมวุ่นวี่ว่นวายไม่คิดเรื่องนัน้นไม่คิดเรื่องนี้มันคิดในธรรมะเห็นสติสมาธิของเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ เราลึกได้อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าหัดจิตหัดใจมันไม่ใช่หัดมาครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกเราหัดมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่เราไม่รู้เราจําไม่ได้หนึ่งเราจําไม่ได้สองเราไม่รู้ ทำความดีเราก็ไม่รู้มันก็ว่าเราทำมากน้อยแค่ไหนไม่ได้จดบันทึกไว้เมือม่อเมื่อตายไปบุญบาปก็จะรวมกันถ้าบาปมากก็ไปสู่ภพภูมันตับบาปน้อยก็ได้เป็นนรกขุมไม่ตกนรกขุมน้อยถ้าไม่มีบาป ก็ไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ไปสู่พุมัมโลกไม่มีกิเลสในใจเลยบาปไม่มีแม้แต่นิดเดียวเลยไปพ่านิผ่านเลยใจก็สบายเป็นสุขล่ะผู้ที่ถึงพ่า น, นิพพานแล้ว ไม่ใช่ได้เพราะเออเราภาว น, นาไปอวดกันไม่หรอฉันได้ฉันนั้นฉันนี้ไม่รู้อันเป็นไงฉันฉันนี้คนทำท่านปัิจจตังเวทิ ต, ตโพวินยูหิผู้รู้ย่อมรู้เฉพาะตนเรารู้ก็เห็นอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละเห็นอยู่ในใจเนี่ยแหละ ถึงคนอื่นจะไม่รู้ก็ตามแต่เราก็รู้เหมือนคําพูดคําจาเนี่ยแหละเวลาเราโกหกเราก็รู้ว่าเราโกหกเราไม่โกหกเราก็รู้ว่าเราไม่โกหกคือเรารู้อยู่ในใจเราใจของเราเห็นอยู่เราโกหกเราก็รู้อ๋อเราโกหกคน ผู้ค้าขายก็บอกอถ้าโกหกไม่เป็นค้าขายไม่เป็นหรไปค้าขายโกหกหรอใครเขาจะไปซื้อเหะอเห็นตามบ้านเอาข้าวขึ้นเล่าหมดแล้วขึ้นยุ่งขึ้นสางทีนี้เอาข้าวที่ปัดออกจากลานข้าวนะลานนวดข้าวนะเอาใส่ถุง เอาหินมาใส่ด้วยเหินมาผสมด้วยเพื่อจะให้มันหนักเอาไปขายคนจีนคนเท่าแก่เขาก็รู้ดีนี่เอาไปขายเขาเอาเหล็กแทงซับเขาไปตรงก้นมันก้นกระสอบป่านเขาออกมาดูปับเขาเห็นแล้วหินก็มีฝุ่นก็มี ข้าวก็มีข้าวรีบก็มีเขาก็ไม่พูดเขาก็หักราคาลงมาเป็นข้าวเพียรสามไม่เช้าเประเภทหนึ่งนั่นเขารู้ทันเราไปโกหกเขาเลย ที่หลังเราไปขายที่ล้านที่สางเขาเขาไม่ซื้อเลยดูเลยข่าวดีๆที่มีอยู่ที่เราเอาไปขายเขาก็หักราคาลงมดัดนัตามราา้านค้าถ้าเราไปซื้อของว่าสิ่งนี้ดีแต่ของนี้เป็นของเกของปลอมเช่นเดีด๋ยเราไปซื้อทองเนี่ยทองตะกอเนี่ยราคาไม่แพง 6,000 บาทท่นเอง 6,600 ต่อบาทหนึ่งปัจจุบันนี่ 20,000 30,000 นู่นทีนี้เอาทองปลอมมาขายเราก็รู้ว่าเป็นของปลอมเราก็ไม่ซื้อของปลอมทีหลังคนจะไปซื้อเขาก็ไม่ซื้อล้านนั้น ร้านมีของปลอมลองไปหลอกลวงเขาสิทีหลังเขาไม่เล่นด้วยแะไม่ซื้อด้วยโอ้ยอย่าไปเดินร้านนั้นมันเอาของปลอมมาขายนะแต่ใจเรามันรู้อยู่แล้วว่าเราขายของปลอมเขารู้ทัน เขาก็ไม่ไปซื้อเขาไปซื้อร้านอื่นที่เป็นของจิเหมือนจิตใจของคนเราก็เหมือนกันภาวนาเป็นจิตสงบสบายยอกเย็นภายในใครจะบอกโอ้คุณทำไม่เป็นเราก็บอกอะไรว่าเราทำเป็นเพราะเรารู้จักทำอย่างนี้อย่างนี้จิตใจของเราสงบ ทำอย่างนี้ยังนี่งจิตใจของเราสบายนะมันรู้รู้ว่าใจสบายรู้วใจสงบถึงคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราได้สมาธิได้มรรคได้ผลก็ไม่เป็นไรเพราะเราลูกของเราอยู่แล้วถึงไม่ตายลงเราก็ไม่ตกต่ำต้องไปสวรรค์ต้องไปหมโลกต้องไปนิพพานเราไม่เดือดร้อนในวัตะอันนี้ เรานี้อยากทุกได้แล้วคนอื่นจะยกยอรสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามหรือไม่ยกยอรสรรเสริญติเตียนนินทาใส่ร้ายป้ายสีด่าว่าสารพัดอย่างก็ตามว่าก็ตามเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะใจเรามาเข้าถึงอัตข้นธรรมแล้วสบายแล้ว เขาจะาเราดีหรือไม่ดีมันก็เป็นอยู่ที่ป่าของเขามันไม่ได้อยู่ที่ใจของเราใจของเรามันดีเหละนั่งอยู่จิตแล้วก็สงบนอนอยู่จิตแล้วก็สงบเดินอยู่จิตแล้วก็สงบทําอะไรอยู่ใจิตใจของเราก็สงบสบายอยู่นี่มันสบายอยู่มันเย็นใจอยู่มันมีความสุขอยู่คนอื่นจะว่าเราไม่ดีก็ช่าง เราไม่เป็นอย่างนั้นนี่เขาบอกเอ้ยเราเป็นคนฟุ้งซ่านอย่างนั้นนี่เราดูใจของเรามันสงบอยู่มันไม่ฟุง้งซ่านอ่ะแล้วคนพูดรู้ไม่จริงเราก็ไม่สนใจนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างถ้าเราฝึกหัดใจเราให้ดีแล้วการถึงมักถึงผล รู้แจ้งอริยสัจธรรมชัดเจนลงไปในตัวของเราว่าเรามีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมีพัดผ้าจากจอนเรารู้ชัดลงไปในใจของเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของไม่แน่นอนท้งนั้นเกิดมาชาติไหนก็ต้องมาเจอของนี่แหละถามอะไรที่เรามีเกิดอยู่เราก็ต้องมีแก่มีเก็บมีตายอยู่ไม่เกิดจึงไม่ตาย รู้ชัดในใจของเราพอเราปฏิบัติเราก็รู้ชัดใน ใ, นใจของเราว่าเราสามารถทำได้คนอื่นจะว่าเราไม่ดีไม่ทำทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ของเราอยู่มันก็ถูกของเราอยู่เหมือนเดิมมันไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละ การปฏิบัติมันเป็นการสอนใจใจนี่ไม่สอนไม่ได้นะใจเนี่ยม่เอาเอาอย่างอื่นมาสอนไม่ได้นะเอาเหล็กเอาคีมมานัดมางัดมาเบ็ดมาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นไปนะแต่ถ้าเอาธรรมะมาปฏิบัติปั๊บกิจมันไปเลยกิจมีอำนาจเลยมีธรรมะในใจนี่โอ้เป็นกิจที่สบายที่สุดเลย เอาธรรมะเนี่ยเป็นดัดใจของเราเช่นคำว่าอัตนาโจทยตัณงจงโจดตนด้วยตนเองเนี่ยโจดตนด้วยตนเองเราคอยดูเราทุกวันว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างทำดีกี่เปอร์เซ็นต์ทำชั่วกี่เปอร์เซ็นต์ ทำบาปทำบุญกี่เปอร์เซนต์เราสามารถโจทย์ตัวเองได้โอวันนี้เราไม่ได้ทำดีเลยบาตรก็ไม่ได้ใสถวายทานก็ไม่ได้ทาพูดดีๆก็ไม่ได้พูดมีแต่พูดร้ายมีแต่ท่องมิไดบน่นมีแต่ว่าคนอื่นโอวันนี้เราไม่ดีเลย ดาคนอื่นก็ไม่ดีว่าคนอื่นก็ไม่ดีตำหนิคนอื่นก็ไม่ดีถ้าตำหนิพระตำหนิสงฆ์ยิ่งไม่ดีอีกภาวนาไม่ขึ้นเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ก็จะไม่ได้ถ้าได้แล้วก็จะเสื่อมเนี่ยถ้าตำหนิพระแล้ใจแ้วไม่ได้ก็ไม่ได้เลยมาพอนาจะเทศยังไงก็ตามหลวงพ่อดอตอรสาจะเทศกี่ชั่วโมง กิเนั้นก็ไม่สามารถออกจากใจได้เพราะอะไรเพราะว่ากิตมันหยาบเกินไปมันไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกมันเป็นอันนั้นนี่แหละให้คอยดูจิตของเราเป็นยังไง ให้รู้จิตของเราให้โจดจิตของเราเด่วละ ว, วันเราทำอะไรบ้างเราทำดีเท่าไรเราทำชั่วเท่าไรคอยโจดคอยท่วงตัวเองไม่จำเป็นต้องครูบาอาจารย์มาตรวจมาท่วงเราไม่โจดไม่ท่วงใคร เราคอยไปจูดไอทวงใจของเรา <c oughs> มันชั่วแค่ไหนมันดีแค่ไหนมันไปตามหลักธรรมของฤาษีเจ้าไหมวันนี้เรามีศีลห้าครบข้อทุกข้อหรือไม่หรือวันนี้เร า, เราไม่มีศีลสักตัวเดียวเลยก็ให้รู้ได้เอาสมาธิเหรอจิตเราไม่สงบเลยวันนี้ เพราะอะไรเพราะว่าเราฟุงา้งซ่านเพราะเราไม่ได้กำหนดดูความรู้สึกของเราอย่างนี้แหละโจดอยู่เรื่อยอัธนาโจทย์ยัตรนังโจดอยู่เรื่อยถักทวงอยู่เรื่อยเอาอะไรมาโจดเอาธรรมะมาโจดมัน ถต่มันไม่ดีกัต่อไปต้องให้มันดีวันนี้เราไม่ได้ความเลยเราจะเอาให้มันได้ความให้มันได้เรื่องให้มันได้ราวขึ้นมาให้จิตใจสบายยืนอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายตายแล้วก็สบายไม่ให้เดือดร้อนเลยนี่แหละ ปฏิบัติธรรมฟังธรรมเพื่ออบปโลงใจนี่งให้ทานเพื่อทำใจให้เป็นสุขนี่งนั่นสุขก็มีอยู่ทุกก็มีอยู่เราเกิดมาเราทำเอาทุกเราก็ทาเอาได้ทุกเราก็ทำเอาได้ เราอยากทุกข์เราก็ทําทุกข์เอาทำชั่วเอาทําชั่วให้มากๆ ม, มันถึงจะทุกข์มากถ้าอยากสุขเราก็ทําสุขเอาให้ท่านรักษาสินภาวนาไปภาวนานเนี่ยตัวสําคัญเอาให้มันเกิดมีในใจของเรา แต่มันมีธรรมะในใจแล้วเ้ยสบายมากเลยอยู่ยังไงก็สบายทำยังไงก็สบายนอนอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายยืนอยู่ก็สบายเดินอยู่ก็สบายนเพราะอะไรมันถึงสบายเพราะใจมันมีศีลมีธรรมมีความสุขนลยมันมีบุญมีกุศลเลย มันก็เพลิดเพินล่าเริแจ่มใสใจสบายทำอะไรอะไรก็มีความสุขก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราต้องทำสิ่งที่ดีไว้พรรษามหากริย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในที่สุดก็ล่วงล้นไป มีหมอมากมายก็ยังตายอยู่สเสดจสอนนคตอยู่มันไม่เลือกชั้นวันหน้าหรอกก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นบทนั้นเราต้องทำดีให้พอในชาตินี้ปัจจุบันนี้เราต้องทำดีให้เต็มที่ให้เต็มกำลังของเรา ให้มีศรัทธาในคุณพระนั่งไต่ศรัทธาในทานในศีดในภาวนามีปัญญาไต่ตองเหตุผลว่าสิ่งที่เราทำมานี่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษเรารู้อันนี้เป็นทางดีอันนี้เป็นทางไม่ดีเรารู้มันเป็นอย่างนั้นให้พยายาม เวลาของชีวิตนัปสปีเ0ปีเป็นประมาณร้อยปีเป็นประมาณแต่โดยมากมัไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราต้องรีบฝึกหัดใจของเราถ้าที่อื่นไม่มีจะมาฝึกที่วัดปา่าตอนให้โสนี่ทุกขอ้ก็ยังได้เลย มาแล้วม่อีกก็ยงได้ไม่ได้ห้ามมาฝึกหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งหันไม่หัดให้มันมีความสุขหัดให้มันมีความสุขหัดให้มันมีความสบายหัดให้มันบังคับใจใเที่ยงให้มัน่นให้ศรัทธามั่นคงอยู่เรามาหัดได้ มันก็น่าอัจรย์เหมือนกันแหละแต่ละคอร์สละหน่วยนี่คนมาจากทุกทิศ ท, ทุกทางแต่มาไม่มากหรอกทางสองคนสามคนจังหวัดนั้นบ้างจังหวัดนี้บ้างเชียงใหม่เชียงรายก็มาปั่ใต้ก็มาอีสานตอนบนอีสานตอนล่างมา กรุงเทพมาเพราะอะไรเพราะมันดีนี่คนก็อยากมาฝึกอยากมาหาดัดอยากให้มันรู้อยากให้มันเป็นมันเป็นั้ยล่ะมันก็เป็นจริงๆถ้าหาดัดพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามว่าหัดแล้วไม่เป็นหัดแล้วมันต้องเป็นมันต้องเป็น มันต้องมีความเจริญขึ้นมามันเป็นขึ้นมามันดีขึ้นมาถ้าเราหัดถ้าเราไม่หัดสมันถึงไม่เป็นเกิดชาติไหนไม่หัดมันก็ไม่เป็น่ยนแสนชาติมันก็ไม่เป็นถ้าไม่หัดแต่ถ้าหัดแล้วชาตินี้ได้ผลและเรามาหัด มาดัดมาแปลงมันเอาธรรมะเข้าไปคล้องคอให้มั น, นเราคล้องแต่สอยแต่เหรนแต่ทองคำเอาทองคำมาห้อยคอถ้าเอาบุญเอากุศลเอาความดีมาห้อยคอดูมันจะงามยิ่งกว่านั้นอีก้วยเหุดีเอง ท่านทั้งหลายที่มาจากทุกทิศตู้ถางมาฝึกมหาหัดเนี่ยเดีววเอาธรรมะเข้ามาคล้องคอไว้โชธ ร, รรมะนั่นให้เขาเห็น เ, เรามีธรรมะในใจเรามีเมตตาเรามีกรุุ่ณาเมตตาคือเป็นมิตรภาพกับทุกคน การุณาคิดช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่จะช่วยตัวเองอย่างเดียวยังคิดช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนอย่างที่เราอยู่นี่แหละที่เราได้มาปฏิบัติช่วยตัวเองด้วยช่วยญาติช่วยโยมช่วยคนอื่นให้ปฏิบัติเป็นด้วย งูที่ตาพอยินดีเมื่อคนอื่นทำความดีอย่าไปอิจฉาตาล้อนเขาอุเบกขาความวางใจให้เป็นกลางวางเฉยได้ในเมื่อสิ่งนั้นถึงความดีแล้วหรือในเมื่อสิ่งนั้นถึงความวิบัติเต็มที่แล้ว ัวดีก็วางใจเขาเดือดร้อนเต็มที่เราไม่รู้จะช่วยแบบไหนเราก็วางใจต่อคนเรานั้นเสียไม่ใช่มีแต่เมตตาอย่างเดียวเมตตาเสือตกบ่อเคยได้ยินไหมเมตตาเสือตกบ่อมีบ่อน้าอยู่ กว้างขนาดมิตรกว่านี่แหละแต่ว่าลึกลงไปหลายเมตรสองสามเมตรสี่เมตรหาเมตรน่นแหละลึกลงไปเวลาตักเอาน้ำาก็ใส่ไม่ขันขอเขาเียไม่ไม่ขอเอาไม้ไผ่มาทำเป็นไลเป็นอะไรไว้แล้วก็ลงไปหย่อนลงไปตักเอานา้ำทีนี้คราวหนึ่งเสือมัน มายัางไงก็ไม่รู้ไปตกลงไปในบอ่อมันก็ไม่ได้กินอาหารตั้งหลายวันมันหิวมากเลยแต่ว่าก็มีน้ำกินอยู่แต่มันก็ตกบอ่อคนคนหนึ่งมาเห็นเข้าเกิดสงสารเมตตาแต่ไม่มีอุเบกขานะเมตตา เมตตายุงไงล่นโอ้นดูไปแล้วเห็นเสือมันตกบ่อก็เมตตามากอยจะช่วยมันในคนทุกก็หาทางเอามันขึ้นมาจนได้พอมันขึ้นคนบ่อขึ้นมามันหิวนี่มั น, น, นก็มองเห็นคนที่ดึงมันขึ้นมานั่นแหละเป็นระับแรกมันจะกินเลยมันก็ไล่เลย คนผู้ที่ช่วยเสือตกบอ่อกขึ้นมาบนบกวิ่งหลบหน้าหลบหลังจนกระโดดลงไปในบอ่อเสือถึงกินไม่ได้ เ, ออเขาเรียวกว่าเมตตาเสือตกบอ่อเมตตาเสือเสือมันจะกัดกินหนีไปไหนก็ไปไม่รอดมันจะไล่กัดไล่กิน มันพร้อมโซเตรียมที่แหละเพราะมันหิวมาหลายวันมันก็จะกินคนที่เอาขึ้นมาเนยจนเราได้ตกบ่อเมตตาเสือตกบ่อเห็นใครเมตตาไปหมดอย่นี้ก็ต้องระวังเมตตาต้องรู้จักว่าการะุนนาโมทิตาอุเบคขาด้วยถ้าตัดเมตตาต้องตัดอุเบคขาด้วยก็ต้องรู้รว่าวาง ควรพอช่วยจึงช่วยไม่พอช่วยก็ต้องถอยไว้เงินไม่ใช่ว่าจะเป็นอคนตกทุกข์ได้ยากเราช่วยหมดก็ไม่ได้บางทีเราเห็นไหมเวลาเราไปโอ้ผมตกรถผมไม่มีเงินครับค่ารถกลับบ้านเลยครับอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เมตตาควักเงินให้มันช่วยคน อันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันหาหลอกลวงเราก็ต้องรู้เราอย่าไปยุ่งมันใช่ว่าเมตตาจนเจ้าของตกบ่อไม่ใช่มันหลอกลวงเราได้อันที่เข้ามาตามวัดไปหาพระผมไม่มีเงินผมมาเดินทางมาถูกเขาแย่งเอากระเป๋า เงินทองก็ไม่มีผมของเองินค่ารถสักห้าร้อยบาทด้ยครับนนในที่สุดเราต้องจ่ายเงินฟีห้าร้อยบาทแต่เขาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าต้องมีกา ต้องมีอุบีบขาด้วยนี่แหละให้หัดใจให้มันสงบให้ได้ถึงความสุขความเจริญให้มีมรรคมีผลอยู่ในตัวให้ตั้งใจฝึกหัดปฏิบัติว่าธรรมะของพทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาจะ ทำความดีเวลาไหนก็ดีเวลานั้นถ้าเราไม่ทำความดีเกิดมาก็เสียเสียชาติเกิดก็ตายไปเปล่าๆถ้าเรามีการปฏิบัติทำบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่ก็เรียกว่าถือเอาประโยชน์ในชาตินี้ไปได้ไม่สูญหายไม่เสียพูดง่ายๆนี่แหละ เราได้โอกาสมาปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้มันเต็มที่เจ็ดวันนี่มันคุ้มชีวิตของเราได้อีหวังก็มีด้วยประกาศด้วดี